วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเกตุลาคมพุทธศักราชสอง6ันห้าสบหกวันนี้เรามาพบกันช้าไปหน่อยเนื่องจากมีฝนตกเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาตอนนี้ฝนก็ได้หยุดแล้ว ก็ พ, พร้อมที่จะมาฟังเทศฟังธรรมกันมาศึกษามาเรียนรู้พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นำมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจให้เราได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนที่จะทำให้พวกเรานี้ อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนั้นก็คือการมีที่พึ่งทางกายและการมีที่พึ่งทางใจเพราะชีวิตของพวกเรานั้นมีส่วนประกอบอยู่สองส่วนด้วยกันคือร่างกายและจิตใจร่างกายก็ต้องมีที่พึ่งของร่างกายจิตใจก็ต้องมีที่พึ่งของจิตใจ ถ้าร่างกายมีที่พึ่งจิตใจมีที่พึ่งร่างกายและจิตใจก็จะอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข mm hmm. เราจึงต้องมาศึกษาที่พึ่งของร่างกายและที่พึ่งของใจว่ามีอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้นำมาไปปฏิบัติ ให้ถูกต้องเพื่อที่เราจะได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขที่พึ่งทางร่างกายนั้นก็คือปัจจัยสี่ได้แก่อาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยายารักษาโรคเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของร่างกายร่างกายนี้จะขาด อาหารขาดที่อวัอสดุขาดเครื่องนุ่งห่มขาดยารักษาลกไม่ได้ถ้าขาดแล้วก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้อาจจะทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยที่กลิ่ีการหรือถึงแก่ความตายได้เราจึงต้องขวนขวาย หาปัจจัยสีมาเลี้ยงดูร่างกายกันเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นอยู่ได้เป็นป ก, กติสุขการที่เราจะหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงร่างกายโดยที่จะไม่ไปมีผลกระทบต่อทางด้านจิตใจกพื่อไม่ไปสร้างความทุกข์สร้างความยากลาบากให้แก่จิตใจ เราก็ต้องใช้หลักของความมักน้อยสันโดษในการบริโภคปัจจัย4คือบริโภคพอเพียงต่อความต้องการของร่างกายไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปและไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นของที่มีราคาแพงๆหรือของหรูหราต่างๆ ขอให้ทำหน้าที่ในการสนับสนุนดูแลร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขได้ก็พอแล้ว mm hmm. เช่นอาหารเราก็มีอาหารชนิดต่างๆมีราคาชนิดต่างๆกัน mm hmm. แต่อาหารที่ราคาแพงกับอาหารที่ราคาถูกนี้ ก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกันจึงไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเงินเสียทองให้มากเกินความจำเป็นเพราะการใช้ของแพงๆนี้ก็อาจจะไปกดดันทางด้านจิตใจให้ต้องหาเงินหาทองมาเลี้ยงดูร่างกายโดยเฉพาะถ้า ไม่อยู่ในฐานะที่จะหาเงินหาทองมาได้อย่างง่ายดายและมากมายถ้าใช้ของแพงๆใช้ของหรูหราก็อาจจะทำให้ต้องไปกดดันทางด้านจิตใจให้ไปหาเงินหาทองมาในวิธีที่ไม่ถูกต้องคือด้วยการกระทำผิดศีลธรรมผิดกฎหมาย ซึ่งก็จะสร้างผลเสียให้แก่จิตใจสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจเวลาหาปัจจัยสี่ให้กับร่างกายเราจรึงต้องรู้จักประมาณมรู้จักฐานะของเราว่าเราหาได้มากหาได้น้อย<ม>เราก็ต้องอยู่ตามฐานะของเราไป<ม>อย่าไปอยู่เกินฐานะ เพราะมันจะทำให้เราต้องไปทำบาปทำกรรมในการที่จะหาเงินทองมาเลี้ยงดูร่างกายด้วยปัจจัยสี่ที่มีราคาแพงๆนี่คือหลักของการเลี้ยงดูร่างกายให้เราเลี้ยงดูร่างกายแบบพอเพียงแต่ไม่เกินกำลังของเรา ให้ใช้น้อยๆให้ใช้ของที่ราคาไม่แพงเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องดิ้นรนหาเงินหาทองมาเพื่อเลี้ยงดูร่างกายมากจนเกินไปเพราะเรายังต้องมีหน้าที่ที่เราจะต้องเลี้ยงดูจิตใจของเรา อ, อีกส่วนหนึ่งด้วยถ้าเรามัวแต่มาให้ความสำคัญต่อการเลี้ยงดูร่างกายเพียงส่วนเดียวร่างกายอาจจะอยู่ดีกินดี แต่จิตใจของเราอาจจะอยู่อย่างยากลำบาก<ม>อยู่อย่างทุกข์ทรมานใจก็เป็นได้<ม>ดังนั้นขอให้เรารู้จักใช้ปัจจัยสี่หาปัจจัยสี่ให้แก่ร่างกายตามความเหมาะสมกับกาลังทรัพย์ของเรา<ม>กับความสามารถของเราและกับความต้องการของร่างกาย ร่างกายนี้ก็ถ้าเราให้มากเกินไปมันก็เป็นอันตรายต่อร่างกายได้รับประทานอาหารมากเกินไปก็จะทำให้ร่างกายมีน้ําหนักเกินและมีโรคภัย ไ, ไข้เจ็บที่จะตามมาได้เราต้องรู้จักรับประทานอาหารพอประมาณไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป ถ้าน้อยเกินไปก็อาจจะเกิดอันตรายต่อร่างกายได้เช่นเดียวกันร่างกายขาดสารอาหารที่จําเป็นที่จะต้องมาดูแลร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขนะ mm hmm. ก็จะขาดไปและอาจจะทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาได้ดังนั้นการใช้น้อยเกินไปก็เป็นโทษ mm hmm. การใช้มากเกินไปก็เป็นโทษ mm hmm. ต้องใช้แบบ พอดีพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปให้มีพอเพียงต่อความต้องการของร่างกายอาหารก็พอเพียงเสื้อผ้าอาภรณ์ก็พอเพียงเสื้อผ้าก็ก็มีหลายราคาด้วยกันราคาแพงๆก็มีราคาถูกๆก็มีก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกัน หน้าที่ของเสื้อผ้าก็มีไว้ปกปิดร่างกายแล้วก็ป้องกันภัยที่จะมากระทบกับร่างกายเช่นอากาศหนาวเย็นหรือมแมลงสาดกัดต่อยต่างๆและเป็นการปกปิดอวัยวะของตนให้ดูเรียบร้อยให้ร่างกายดูเรียบร้อยสวยงามมีสง่าราศีเราก็ ต้องบริโภคด้วยเหตุผลอย่าไปบริโภคด้วยอารมณ์อย่าไปอยากจะให้มันสวยมันงามมันดีมันเด่นถ้ามันเกินฐานะของเรามันก็จะลำบากทำให้เราต้องดิ่นลนหาเงินหาทองแล้วก็มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต่อร่างกายในการที่เราจะใส่เสื้อผ้าพร ที่สดสวยงดงามที่มีราคาแพงแพงมันก็ทำหน้าที่เหมือนกับเสื้อผ้าธรรมดาธรรมดามที่ไว้ปกปิดร่างกาย<ม>เพื่อป้องกันภัยต่างๆที่จะมากระทบกับร่างกาย<ม>ที่วาสัยก็เหมือนกันมีหลายราคาด้วยกันมีหลายระดับด้วยกันแต่มันก็มีทำหน้าที่อย่างเดียวกันก็คือ เป็นที่หลบห ล, ลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆป้องกันไม่ให้ร่างกายถูกภัยคุกคามก็ต้องมีที่ปลอดภัยไว้อยู่การภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัตว์เดรัจฉานสัตว์ร้ายต่างๆหรือจากบุคคลที่โหดร้ายทารุณคนที่ไม่หวังดี หรือจากภัยทางธรรมชาติจากลมฝนหรือความร้อนต่างๆความหนาวเราก็ต้องมีที่อยู่อาศัยซึ่งมันก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นราคาแพงๆไม่ต้องหรูหราเป็นก็หรหัสใหญ่โตมโหฬารขอให้มีที่หลบแดดหลบฝนหลบภัยได้ก็พอแล้ว อย่ากดดันอย่าใช้เงินใช้ทองมากเพราะว่ามันจะไปกดดันทางด้านจิตใจให้เครียดต่อการหาเงินหาทองซึ่งเราไม่ต้องการให้จิตใจของเราเครียดจิตใจของเราทุกเราต้องการให้จิตใจเราสบายเหมือน ก, นกับร่างกายที่สบายการหาอะไรมาเลี้ยงดูร่างกายนี้ต้องอย่าไปทำให้จิตใจของเราเกิดความเครียดขึ้นมาด้วย งให้จิตใจเรานี้หาหาได้อย่างสบายไม่ไม่ดินไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนมากจนเกินไปยารักษาโรค ก, ก็มีหลายราคาโรงพยาบาลก็มีหลายราคาแต่ก็ทำหน้าที่เหมือนกันรักษาโาครคภัยไข้เจ็บได้เหมือนกันถ้าจะหายก็หายเหมือนกันถ้าจะไม่หายก็ไม่หายเหมือนกัน ไม่ได้หมายความว่าถ้าไปรักษาโรงพยาบาลที่มีราคาแพงๆแล้วจะรักษาหายทุกโรคบางบางโรค ก, ก็รักษาไม่หายตายไปก็มีเหมือนกันไม่ว่าจะอยู่รักษาที่โรงพยาบาลไหนก็ตา ม, มคือนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เพื่อที่เราจะได้คลายความกังวลเกี่ยวกับการเลี้ยงดูร่างกายของเรา เพราะเราอาจจะไปหลงกับความากระแสของโลกที่นิยมที่จะใช้ของแพงๆใช้ของหรูหราใช้ของสวยๆงามๆคิดว่ามันจะทำให้ชีวิตของเรานี้ดีขึ้น ความจริงมันไม่ได้ดีขึ้นมากไปกว่าการใช้ชีวิตอยู่แบบเรียบง่ายเนาะร่างกายมันก็อยู่ได้เหมือนกันแล้วมันก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันไม่ว่าจะใช้ชีวิตอยู่แบบหรูหราหรืออยู่แบบร่ำรวยหรือใช้ชีวิตอยู่แบบสมถะเรียบง่ายก็าตามร่างกายนี้ของคนเราทุกคนนี้เหมือนกันหมด มันก็ต้องไปตามขบวนการของมันคือเมื่อเกิดมาแล้วมันก็ต้องไปสู่ความแก่สู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยสู่ความตายด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะอยู่แบบรู้ราคอยู่แบบราคาแพงๆหรืออยู่แบบสมถะเรียบง่ายมันก็ไปทิศทางเดียวกัน แล้วการจะตายนี้ก็ไม่มีใครกําหนดรู้ได้ว่าจะตายช้าหรือตายเร็วกว่ากันคนที่มีเงินมีทางมีชีวิตที่หรูหรานี้อาจจะตายเร็ ว, รวกว่าคนที่มีชีวิตที่สมะถะเรียบง่ายก็ได้หรือกับกันตรงกันข้ามก็มีคนที่ใช้ชีวิตที่สมะถะเรียบง่ายก็อาจจะตายก่อนคนที่ใช้ชีวิตแบบร่ํารวยหรูหราก็ได้ อันนี้ไม่มีกฎที่ตายตัวแน่นอนว่าจะตายก่อนตายหลังจะใช้ตายช้าหรือตายเร็วมันมันมันมีหลายเหตุหลายปัจจัยด้วยกันที่ทําให้คนเหลานี้อยู่ได้นานหรืออยู่ได้ไม่นานเจ็บไข้ได้ป่วยมากน้อยต่างกันไปอย่างไรส่วนหนึ่งก็เรื่องของกฎแห่งกรรมคนที่ทํากรรมมาก็อาจจะต้องรับผลของกรรม คือร่างกายอาจจะไม่สมประกอบร่างกายอาจจะมีโรคภัยเบียดเบียนอยู่เรื่อยๆร่างกายอาจจะต้องมีความตายเร็วกว่าผู้อันนี้ก็เป็นเรื่องของอดีตคือกรรมนี้เป็นเหตุที่เราทำมาในอดีตและมันก็จะมาส่งผลให้กับเราในปัจจุบันนี้ เราก็ไปทําอะไรไม่ได้เราก็ต้องต้องยินดีรับกับสภาพของเราไปใช้ทํากรรมอันใดไว้ก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นแต่ก็ไม่ใช่กรรมอย่างเดียวที่ทําให้คนเราร่างกายของเรานั้นอยู่นานหรือไม่นานอยู่อย่างปราศจากโรคภัยหรือไม่อันนี้ก็มีส่วนหนึ่งเท่านนั้นยังมีมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นด้วย ทังนี้ทั้งนั้นก็ขอให้เราอย่าไปวิตกกังวลกับเรื่องของร่างกายมากจนเกินไปเราต้องยินดีเราต้องยอมรับกับความเป็นจริงของร่างกายว่ามันเป็นของชั่วคราวเป็นของที่เมื่อเกิดมาแล้วก็หนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายด้วยกั น, นดังนั้นขณะที่เรามีชีวิตอยู่ขณะที่เราต้องเลี้ยงดูร่างกายก็ขอให้เราเลี้ยงดูไปตามอัตภาพ อย่าไปสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายให้กับใจของเราอยากจะอยู่แบบสุขอย่างสบายอยู่แบบหรูหราอยู่แบบพุ่งเฟย์และอยากจะอยู่แบบนานๆไม่เจ็บไม่ไข้ถ้ามีความอยากเหล่านี้อยู่มันก็จะเป็นเหตุปัจจัยที่จะสร้างความเทุกข์ต่างๆให้แก่จิตใจได้เราต้องรู้จักและยังดูร่างกายของเราด้วยปัจจัยสี่โดยใช้หลักมากน้อยสันโดษ ถ้าอยากจะรู้ว่าความมากน้อยสันโดษในการเรื่องปัจจัยสี่เป็นยังไงก็ดูตัวอย่างของพระนี่แหละพระภิกษุทั้งหลายรวมทั้งพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกนี่ท่านบริโภคปัจจัยสี่แบบสมถะเรียบง่ายแบบมากน้อยสันโดษจริงๆเช่นอาหารนี่ mm hmm. ท่านก็รับประทานเพียงวันละหนึ่งมือ้อ mm hmm. แลาอาหารท่านก็ไปรับบิณฑบาตมา ไม่ได้ไปคิดปรุงแต่งว่าจะต้องเลือกกินอาหารชนิดนั้นอาหารชนิดนี้ไปรับบิณฑบาตมาแล้วแต่จะได้อาหารอะไรมาก็รับมันรับประทานมันไปเพราะอาหารนี้มันจะถูกถูกปากถูกใจหรือไม่มันก็ทำหน้าที่ของมันได้เหมือนกันเป็นเหมือนกับยารักษาโรคอย่างหนึง่งอาหารอาหารนี้รักษาโรคคือความหิว ดับความทุกข์ที่เกิดจากความหิวและป้องกันความหิวไม่ให้เกิดขึ้นเร็วจนเกินไปเท่านั้นแหละนี่คือหน้าที่ของอาหารเป็นเหมือนยายารักษาโรคที่เรารับประทานกันเราก็ไม่ได้ไปเลือกว่าจะต้องเป็นยาสีนั้นสีนี้มีรูปร่างลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้มีรสชาติอย่างนั้นอย่างนี้เวลากินยาเราก็เอาเข้าปากแล้วก็คืนในเข้าไป พอมันเข้าไปในร่างกายแล้วมันก็จะไปทําหน้าที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ร่างกายของเราเรารับประทานอาหารก็ควรจะรับประทานแบบรับประทานยามีอะไรก็ได้กินเข้าไปถ้ามันเป็นเป็นเหมือนเป็นยาไม่มีพิษดีภัยมีมีคุณมีประโยชน์คือไประงับความหิวแล้วก็ไปสนับสนุนการการดํารงชีพของร่างกายให้อยู่ไป ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่อัตคัดไม่เป็นพิกลพิการก็ถือว่าทำหน้าที่ได้แล้วพระพุทธเจ้าสอนให้พระนี้อยู่แบบมากน้อยสันเดษให้อาศัยการรับประทานอาหารด้วยการบินทบาทยินดีตามมีตามเกิด ได้อะไรมาจะถูกใจหรือไม่ถูกปากหรือไม่ก็ไม่เป็นไรเมื่อเวลาที่มันหิวนี่อะไรก็ถูกทั้งนั้นอ่ะสังเกตดูถ้าไม่เชื่อญาติโยมลองมากินวันละมื้อดูวันละครั้งนี้พอถึงเวลากินนี่มันหิวพอร่างกายมันหิวนี่มันเห็นอะไรมันก็น่ากินเลยหมดแต่ถ้าเรากินวันลหลายหลายมื้อนี่มันจะไม่หิว เราไม่ได้กินด้วยความหิวของร่างกายเรากินด้วยความอยากของใจความอยากของใจมันก็ต้องเลือกอาหารที่มันทาให้มันถูกถูกอกถูกใจถ้ากินอาหารที่ไม่ถูกอกถูกใจมันก็ไม่อยากจะกินนี่แสดงว่าถ้าไม่อยากจะกินนี่แสดงว่าร่างกายไม่ต้องการอาหารผู้ที่ต้องการอาหารก็คือกิเลสตัณหาความอยากต่างๆซึ่งเราไม่ควรที่จะไปสนับสนุน เพราะความอยากนี่แหละเป็นตัวที่จะคอยสร้างความทุกข์สร้างความเครียดให้แก่จิตใจของพวกเรางนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าการกินอาหารอะไรก็กินได้นี่ก็ลองกินอาหารวันละครั้งเดียวดูวันละหนึ่งครั้ง <Yeah. S 1> พอเรากินวันนี้แล้วตอนนี้แล้ววันนี้กินครั้งเดียวเสร็จแล้วเรารอถึงวันพรุ่งนี้ค่อยกินอีกครั้งหนึ่งนี่พอถึงวันลุ่งขึ้นถึงเวลาที่จะกินนี้ เห็นอะไรนี่มันน่ากินเลหมดแม้แต่ข้าวเปล่าก็น่ากินข้าวเปล่าคลุกน้ําปลาก็น่ากินเพราะตอนนั้นร่างกายมันหิวนะมันต้องการอาหารแล้วมันก็จะทําให้ใจนี้เห็นเห็นว่าอะไรมันก็น่ากินเลหมดแต่ถ้าเรากินมันละสีห้ามือนี่จะจะกินแต่ละครั้งนี้ถ้านั่งมันนั่งคิดก่อนจะกินอะไรดีจะเลือกกินอะไรดีเพราะว่าร่างกายมันไม่ต้องการ เราจะยัดอาหารให้ร่างกายที่ร่างกายไม่ต้องการเพียงแต่ว่าเราอยากจะกินอาหารที่เราชอบเท่านั้นเองเัง <Yeah. S 1> นั้นลองมาหาัดกินแบบมากน้อยสันโดเดีจะมีประโยชน์มากต่อร่างกายคือร่างกายจะไม่มีน้ำหนักเกินโรคอ้วนจะไม่เกิดขึ้นถ้ากินอาหารวันแค่ครั้งละหนึ่งวันละหนึ่งครั้งแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจาก การมีน้ำหนักเกินนี้ก็จะไม่มีโรคความดันโลกเบาหวานโรคอะไรต่างๆนี่มันเป็นโรคที่เกิดจากการที่ไม่บริโภคอาหารโดยประมาณนั่นเองบริโภคด้วยความโลภด้วยความอยากแล้วก็มาสร้างอันตรายให้กับร่างกายทั้งๆ ท, ที่เราพยายามเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่อย่างปกติสุข แต่กับการบริโภคอาหารของเรานี้กลับมาทำร้ายร่างกายของเราโดยไม่รู้สึกตัว<ม>ลองดูตัวอย่างของพระ<ม>ที่พูะเจ้าและพาาระอรหันตสาวกและพระภิกษุทั้งหลายปฏิบัติกัน<ม>เรื่องการอาหาร<ม>ก็รับประทานอาหารวันละหนึ่งมือ้อ<ม>วันละหนึ่งครั้งและอาหารที่เราได้มาจากการบินธบาตก็ให้รวมเข้าไปในภาชนะเดียว รวม้าไปในบาทไม่ต้องไปสนใจว่าเป็นอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ต้องกินอันนี้ก่อนอันนั้นอันนั้นก่อนอันนี้เพราะว่าอาหารทั้งหมดนี้เดี๋ยวมันก็ไปรวมกันในท้องอยู่ดีถ้าเรากินเพื่อร่างกายนี้เราไม่ต้องไปแยกมันหรอกเราก็เอาไปใส่ในภาชนะเดียวกันเช่นใส่ไปในบาตอาหารขาวหวานอะไรก็ใส่มันเข้าไปแล้วก็กินก็าบางก็คลุกมันไปก็ได้หรือไม่คลุกก็ได้ บางท่านก็อยากจะปราบกิเลสตัวจู้จี่จุกจิตตัวที่อยากจะกินนู่นกินนี่ก็ไม่ให้กินเพื่อกินกินเพื่อกิเลสให้กินเพื่อร่างกายถ้ากินเพื่อร่างกายนี้ก็เอาอาหารทุกอย่างมารวมกันในภาชนะเดียวแล้วก็คลุกกันไปเพราะมันก็ต้องไปรวมกันในท้องอยู่ดีอาหารทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหวาน อ, อาหารที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามขนาดไหน เดี๋ยวมันก็ต้องเข้าไปรวมกันในทองฉนั้นการรับประทานของพระที่ปรารถนาในการที่จะฆ่ากิเลสที่ต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสนี้ท่านก็จะกินแบบกินแบบฆ่ากิเลสก็คืออาหารทั้งที่จะกินนี้เอามารวมกันในภาชนะเดียวก่อนบางท่านก็ถึงกับคลุกกันเลยคลุกปนกันไปทั้งข้าวทั้งหวาน บางท่านก็อาจจะแยกเป็นส่วนๆส่วนหนึ่งก็เป็นข้าวส่วนหนึ่งก็เป็นกับข้าวอีกส่วนหนึ่งก็เป็นของหวานแต่ท่านก็แล้วแต่ว่ากิเลสเป็นอย่างไรถ้าท่านไม่มีปัญหากับเรื่องกินกินอะไรก็ได้ท่านก็ไม่ต้องคลุกก็ได้แต่ถ้ามีปัญหาว่าจะต้องกินอย่างนั้นต้องกินอย่างนี้ก็ต้องดัดกิเลสด้วยการคลุกอาหารทุกอย่างให้เป็นอาหารจานเดียว อย่างนี้แล้วต่อไปเรื่องความจู้จี้จุกฉิกในเรื่องของการรับประทานอาหารนี้ก็จะไม่มีมีอะไรก็กินได้ถ้ากินมื้อเดียวนี่พอถึงเวลากินนี่มันมันเห็นอะไรมันน่ากินไปหมดนี่คือวิธีการของการบริโภคอาหารของของพระที่เรายึดถือเป็นสาระเป็นที่พึ่งเป็นตัวอย่างถ้าเราอยากที่จะอยู่แบบสมัต สมรรถะเรียบง่ายอยู่แบบสุกกายและสุขใจใจก็ไม่ถูกกดดันให้ต้องไปดิ้นรนหาเงินหาทองหาปัจจัยสี่ที่พิสดารมาคอยบริโภคอยู่กันแบบเรียบง่ายแบบนี้ร่างกายก็จะสบายจิตใจก็จะสบายเสื้อผ้าพรของพระนี้พระพุทธเจ้าก็สอนให้พระใช้หนึ่งสำรับหนึ่งชุดก็พอ คือผ้าสามผืนที่เแล้ว่าผ้าตายจีวอนผ้าตายจีวอนก็มีผ้านุ่งหนึหน่งผืนมีผ้าห่มหนึ่งผืนและมีผ้าห่มกันหนาวอีกหนึ่งผืนมีสามผืนนี่ก็พอเพียงแล้วสําหรับผู้ที่เป็นนักบวชเป็นสมมณะผู้ที่ไม่ได้ปรารถนาความสุขทางร่างกายปรารถนาความสุขทางใจปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจ ต้องอยู่แบบธรรมะเรียบง่ายมั่งน้อยสันโดษเพื่อที่จะได้เอาเวลาส่วนเอาเวลานี้ไปเลี้ยงดูจิตใจซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าและต้องการเวลามากกว่าการเลี้ยงดูร่างกายจึงให้ให้ลดการใช้เวลาในการเลี้ยงดูร่างกายให้ลงไปให้น้อยที่สุดสมัยก่อนนั้นตอนที่ บะทรงประกาศพระศาสนาใหม่ๆนี้่ตาภิกษุนี้ต้องไปหาผ้าที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าที่เรียกว่าผ้าห่อศพผ้าบางสกุลเป็นผ้าสมัยโบราณคนเขาเวลาคนตายเขาจะไม่ฝังหรือเผาเขาจะเอาผ้ามัดห่อศพแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ในป่าช้าให้ให้ร่างกายเน่าเปื่อยไปพอร่างกายเน่าเปื่อยไปเหลือแต่โครงกระดูกผ้าที่หอนั้นก็ ไม่มีประโยชน์อะไรนักบวชที่ต้องการจะมีผ้าหม่มผ้านุ่งก็ไปหยิบก็ไปเก็บผ้าเหล่านั้นมาซักมาย้อมแล้วมาตัดมายเย็บเป็นผ้าจีวรเป็นผ้าสบงเป็นผ้าสังกติอยู่แบบนี้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปซื้อเสื้อผ้าพระภิกษุนี้ไม่มีรายได้ไม่มีอาชีพอาชีพของพระภิกษุคือการศึกษาและการปฏิบัติธรรม ไม่มีเงินมีทองแล้วก็ไม่ต้องการที่จะรบกวนญาติโยมไม่ต้องการจะไปขอสิ่งนั้นสั่งนี้จากญาติโยมสมัยพระพุทธเจ้าท่านก็เลยไปหาผ้านที่ทิ้งไว้ในป่าชาซึ่งสมัยนี้เราเรียกสั้นๆว่าเป็นผ้าป่านี่ผ้าป่าผ้าบางสกุลความหมายเดิมก็คือผ้าที่ทิ้งไว้ในป่าชาเ <S S S> พราะเป็นผ้าที่ไม่มีใครต้องการแล้ว ไ้เก็บมาซักมาย้อมนะมานุ่ง ม, มาห่มได้นี่คือเรื่องการใช้เสื้อผ้าของของพระภิกษุในสมัยพุทธกาลแล้วเรื่องของที่อยู่อาศัยก็อยู่กันตามมีตามเกิดส่วนใหญ่นิยมกันอยู่ในป่าในเขาในถ้ำอยู่ตามโคนไม้ถ้าอยู่ตามโคนไม้ก็อาจจะทำเพิงกันแดดกันฝน เอาพวกิ่กไม้ใบไม้มาทําเพลิงพอหลบแดดหลบฝนได้หรือถ้ามีเงื่อมผาหรือมีถ้าก็ไปอยู่ตามบริเวณเหล่านั้นเพื่อหลบแดดหลบฝนเท่านั้นเองเป็นฐานที่ที่เหมาะกัต่อการเจริญสมมธรรมคือการเจริญความสงบของจิตใจจําเป็นที่จะต้องไปอยู่ในสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกอ่างไกาจากสิ่งลบกวนใจต่างๆ คือรูปเสียงกลิ่นรธภลพระที่มุ่งต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์จึงมักจะนิยมไปอยู่ตามป่าตามเขาจะไม่นิยมอยู่ตามบ้านตามเรือนต่างๆตามบ้านตามเมืองต่างๆเพราะถ้าอยู่ตามบ้านตามเมืองมันจะอยู่ใกล้กับสิ่งที่ยั่วยวนขวนใจจะทำให้การทำใจให้สงบทำใจให้สิ้นกิเลสเป็นสิ่งที่ยากมาก แต่ถ้าไปอยู่ในที่สงบสงัดวิเวกนี้การทำใจให้สงบนี้จะง่ายและการที่จะทำลายกิเลสตัณหาที่มีในใจให้หมดไปก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ยากเย็นแต่อย่างใดสมัยพุทธกาลจึงมีการบรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็นจํานวนมากเพราะว่าท่านรู้จักวิธีปฏิบัติมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้คอยสั่งคอยสอน สอนเรื่องการอยู่แบบสมนญเพศอยู่แบบ อ, อยู่แบบ ม, มักส ม, มถะเรียบ ง, ง่ายมากน้อยสันโดษกันไม่ต้องเสียเวลาให้วุ่นวายไปกับการเลี้ยงดูร่างกายมากจนเกินไปเอาเท่าที่จําเป็นเท่านั้นเองส่วนยารักษาโรคท่านก็ใช้ยาดองกันยาดองน้ำมูดคื อ, ค, อคือน้ำปัสสาวะนะนิยมเอาน้ำปัสสาวะมาดองพวกสมอพวกมาขามป้อม แล้วก็เวลาเกิดอาการเจ็บท้องเจ็บชีสปวดชีสะอะไรก็ดื่มน้ำยืม ด, ด, ด, ด, ดื่มยาดองเหล่านี้ก็พอที่จะรักษาให้มันหายได้บรรเทามันได้ท่านก็อยู่แบบนี้แหละท่านไม่ได้อยู่แบบต้องใช้เงินใช้ทองท่านพยายามอยู่แบบประหยัดที่สุดไม่ต้องใช้เงินใช้ทองไม่ต้องไปรบวนชาวบ้านอยู่ไปตามมีตามเกิด ท่ายอมรับกับความเป็นจริงของร่างกายว่าร่างกายของเราทุกคนเนี่ยมันจะต้องเจ็บไข้ด้วยเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครของคนจนหรือของคนรวยก็ตามมันก็ต้องเจอโรคภัยอยู่สามชนิดด้วยกันโรคภัยชนิดที่หนึ่งก็คือโรคที่เกิดขึ้นแล้วมันก็หายเองได้เช่นบางทีเราปวดศรีรษะปวดท้องหรือเป็นไข้เป็นหวัดอะไรทํานองนี้ แล้วถ้าเราไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้กินยามัมนก็ปล่อยมันไว้สักพักหนึ่งมันก็หายเองได้โรคนี้เรียกว่าโรคเป็นเองแล้วก็หายเองได้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปรักษาก็ได้โรคที่สองก็คือโรคที่เป็นแล้วต้องรักษาถ้าไม่รักษาก็จะไม่หายอันนี้ก็ต้องพยายามหาวิธีรักษากันไปถ้ารักษาได้ก็หาย ถ้ารักษาไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปโรคชนิดที่สามก็คือเป็นโรคที่เวลาเป็นแล้วรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายโรคบางอย่างโลกคนแก่คนชรานี่เจ็บไข้บวดป ว, วดเมื่อยตามร่างกายต่างๆนี้รักษาไงก็ไม่หายมันเป็นเรื่องของความชราภาพของร่างกายความเสื่อมของทางร่างกายก็ต้อง ยอมรับกับสภาพของร่างกายไปถ้าใจเราเข้าใจหลักของความเป็นจริงของร่างกายแล้วใจเราจะไม่ค่อยทุกข์กับเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายเท่าไหร่เพราะเรายอมเราต้องเรารู้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ร่างกายเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้เห็นสิ่งที่เราควรจะทำก็คือควรจะ สอนใจให้รับกับความจริงของร่างกายให้ได้เพราะถ้าเรารับกับความจริงของร่างกายได้ใจของเราจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปอันนี้ก็คือเรื่องของการมีที่พึ่งทางร่างกายมีที่พึ่งทางร่างกายคือมีปัจจัย4และการบริโภคปัจจัยสี่ให้บริโภคแบบมักน้อยสันโดย เพื่อป้องกันไม่ให้ไปสร้างความทุกข์สร้างความเครียดให้แก่จิตใจนี่เกิดส่วนหนึ่งของที่พึ่งที่เราควรจะมีกันถ้าเราอยากจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทางร่างกายอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องมีก็คือที่พึ่งทางใจใจก็เป็นเหมือนร่างกายใจก็ต้องมีที่พึ่งเหมือนกันใจก็ต้องมีปัจจัยสี่เหมือนกันใจก็ต้องมีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมียารักษาโรค มีที่อยู่อาศัยเพียงแต่ว่าปัจจัยสี่ของใจนี้ไม่เหมือนกับปัจจัยสี่ของทางร่างกายเช่นอาหารอาหารของร่างกายก็คืออาหารที่เรารับประทานกันกับข้าวกับปลาของข้าวของหวานอาหารของใจนี้ที่จะทำให้ใจมีความอิ่มดับความหิวโหยของใจได้ ก็คือบุญกุศลนี่คือการทําบุญทําทานเวลาทุกครั้งที่เราทําบุญทําทานนี้เป็นการให้อาหารกับจิตใจของเราเวลาทําบุญทําทานแล้วใจเราจะรู้สึกมีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจมีความพอใจถ้าเราไม่ได้ทําบุญทําทานนี้ใจเราจะหิวโหยแล้วแทนที่เราจะหาอาหารให้กับจิตใจเรากลับไปหา ยาพิษให้กับจิตใจเวลาเราหิวโหยมีความอยากไม่มีความสุขไม่มีความอิ่มใจเราก็ไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาบริโภคกันไปเที่ยวกันไปกินไป ด, ไปดูไปฟังอะไรต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นอาหารของใจไม่ได้ทำให้ใจเกิดอาการอิ่มเอิขึ้นมาแต่กลับจะทำให้เกิดมีความหิวอยู่เรื่อยๆ เพราะการบริโภคสิ่งเหล่านี้ให้กับใจนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นการระ ง, งับความหิวความอยากของของใจแต่กับกระตุ้นให้มีความหิวมีความอยากเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆวิธีที่ถูกต้องถ้าเราอยากจะให้ใจเรามีความอิ่มใจสุขใจสบายใจเราควรจะมีการทำบุญทาทานอย่างสม่าเสม อ, อ เช่นอย่างน้อยวันหนึ่งเราควรจะใส่บาทสักครั้งหรือทําบุญทําทานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เบิกจากเงินให้กับองค์กรต่างๆจะเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนองค์กรสาธารณกุศลอะไรต่างๆก็ได้ขอให้เราได้ทํากันเป็นนิสยัยทําเป็นกิจวัตรประจําวันเหมือนกับเราเวลาที่เรารับประทานอาหารถ้าเราทําบุญทําทานอยู่เรื่อยๆก็เท่ากับการที่เราให้อาหาร การจิตใจของเราเวลาทําบุญทําทานแล้วใจของเราจะรู้สึกอิ่มใจสุขใจสบายใจนี่คืออาหารของใจคือการทําบุญทําทานเราควรจะทํากันอยู่เรื่อยๆทํากันเป็นประจําเหมือนกับเวลาที่เรารับประทานนะให้อาหารทางร่างกายอาหารทางร่างกายเราก็ให้กันเป็นประจํามันละต้องสามครั้งขึ้นไป อาหารทางใจนี้บางวันเราไม่ได้ให้เลยเราจึงจะรู้สึกว่าใจของเรานี้ไม่ค่อยมีความสุขกันเท่าไหร่ใจของเราหิวโหยอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งมันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทำให้จิตใจเกิดความอิ่มพอจิตใจเราจะไปหิวโหยกับเรื่องของลาบยศสรรเสริญกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันซึ่งมันไม่ได้เป็นอาหารของใจแต่มันเป็นวินยาเสพติดของใจ เสพเสพลาบยศสรรเสริญเสพรูปเสียงกินร้อนแล้วมันจะทําให้ติดเป็นเหมือนต้องคอยเสพอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาที่ไม่ได้เสพมันจะเกิดอาการเครียดเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความหงุดหงิดใจเกิดความว้าเหวเกิดความเศร้าใจขึ้นมานี่ไม่ใช่เป็นอาหารแต่พวกเราคิดว่าเป็นอาหารกันเพราะเวลาที่เรารู้สึกเหงารู้สึกเครียด ร, รู้สึกขาดอะไรไปขาดความสุขไป เรามักจะไปหาราบยศสารเสริญรูปเสียงกิรลดมาเสกกันเสกเท่าไรก็ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอแล้วเวลาที่ไม่ได้เสกก็จะทําให้รู้สึกเครียดขึ้นมานี่ไม่ใช่เป็นวิธีการให้อาหารกับจิตใจวิธีการให้อาหารกับจิตใจต้องให้ด้วยการทําบุญทําทานไม่เชื่อลองก็ทําดูแทนทุกครั้งที่เราอยากจะ ไปเที่ยวไปกินไปดื่นไปดูไปฟังไปหาซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของไม่จำเป็นต่างๆมาให้ความสุขกับใจเราลองเอาเงินเหล่านี้ไปให้กับการทำบุญทำทานดูแลเราจะเห็นผลที่จะแตกต่างกันที่เกิดขึ้นในใจของเราพอเราได้ทำบุญทำทานแล้วใจของเราจะรู้สึกอิ่มรู้สึกสบายขึ้นมาและความอิ่มความสบายของใจนี้มันก็จะอยู่ไปได้นานกว่า ความสุขที่ได้จากการไปไปหาราบยศสรเสิญสุขมาเสษกันนี่คือเรื่องของการให้อาหารกับใจก็คือการการทาบุญทาทานอย่างสม่าเสมอแล้วใจของเราจะอยู่อย่างสบายไม่ค่อยหิวโหวยกับเรื่องราวต่างๆไม่หิวโหวยกับราบยศสรรเสิญไม่หิวโหวยกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะ อยู่เฉยๆก็มีความสุขได้ในระดับหนึ่ง น, ะนี่เกิดเรื่องของอาหารของใจส่วนเสื้อผ้าพรของใจที่จะทาให้ใจป้องกันภัยที่จะมากระทบกับใจและทำให้ใจนี้ดูแล้วมีสงาาส่าราศีก็คือการมีศีลธรรมนี่การไม่กระทำบาปการมีศีลห้าเช่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปด ไม่ดื่มของมึนเมาต่างๆอันนี้จะเป็นเสื้อผ้าพรของใจเพราะจะป้องกันภัยที่จะมากระทบกับใจภัยที่จะมากระทบกับใจคืออะไรก็คืออบายสีนี่องอบายสี่ก็คือการไปเกิดไปเป็นเบลฉานไปเป็นเปรตเป็นอสูรกายการไปตกนรกนี่เป็นภัยของจิตใจที่เราสามารถป้องกันได้ด้วยการมีเสื้อผ้าพอรอน ของใจก็คือการมีศีลห้านี่คือการไม่กระทำบาศีลห้านี้คือการไม่กระทำบาไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดไม่ดื่มของมึนเมาต่างๆถ้าเราสามารถรักษาศีลห้าได้ใจเราก็จะมีเครื่องคุ้มครองใจไม่ให้ใจเราไปตกต่ําไม่ให้ไปเกิดเวลาตายไปนี้ใจเราจะไม่ต้องไปเกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรต เป็นศุลกายไม่ต้องไปตนกนรกอันนี้คือภัยที่ที่ศีลจะป้องกันให้กับใจได้ส่วนความสวยงามการ ม, มีสงาาส่าราศีก็เช่นเดียวกันใจที่มีศีลนี้จะเป็นใจที่น่าน่าน่าคบค้าสมาคมด้วยน่าน่าเคารพนับถือคนที่ไม่โกหกหลอกลวงนี้เป็นคนที่น่าเคารพนับถือก่าคนที่โกหกหลอกลวง คนที่ไม่ชอบโกงไม่ลักทรัพย์ของผู้นี่ก็จะเป็นคนที่น่าเคารพนับถือกว่าคนที่อชอบชอบโกงโกหกหลอกลวงคนที่ไม่ประพฤติผิดประเพณีกับคนที่ประพฤติผิดประเพณีก็จะเป็นต่างกันคนที่ข่ากับคนที่ไม่ข่าก็มีความสง่าราศีที่ต่างกันนะนี่แหละคือศีลคือเครื่อง ที่จะทำให้จิตใจสวยงามคนที่มีศีลนี้ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนกับใครนี้จะไม่มีใครรังเกียจจะมีคนยินดีที่จะต้อนรับที่จะให้อยู่ร่วมกันทํางานร่วมกันได้เวลาที่เราจะจ้างใครทุกคนมาทํางานกับเรานี้เราก็ต้องตรวจดูคุณสมบัติของเขาก่อนถ้าเขามีประวัติ ด, ดีหรือไม่ดีเขาเคยติดคุกติดตารางมาหรือไม่เขาเคยมีปัญหาไปทําร้ายใครหรือไม่ เ, เหล่านี้ อันนี้ก็เป็นการดูดูว่าเขามีสีแลือไม่มีสีนั่นเองถ้าเขาเป็นคนที่มีประวัติด่างพร้อยเคยไปลักขโมยเคยไปชอ่อกงเคยไปทำร้ายผู้อื่นเราก็ไม่อยากจะจ้างเขามาทำงานกับเราแต่ถ้าเราดูว่าเขามีประวัติที่สวยงามไม่มีประวัติที่ด่างพร้อยเราก็ยินดีที่จะรับเขามาทำงาน นี่แหละคือความสงา่าราศีของจิตใจไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าพรที่เราสวมใส่ให้กับร่างกายแต่ให้เราใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมต่างๆราคาแพงๆใส่เครื่องเพชรเครื่องอะไรเต็มเต็มตั ว, ตวแต่ถ้าใจเราไม่มีศีลนี้ไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะรู้ความจริงว่าเราเป็นคนสวยงามหรือเป็นเป็นคนสวยงามหรือไม่ความสวยงามของคนเราอยู่ที่ใจสวยที่ใจ สวด้วยศีลละธรรมนี่คือเสื้อผ้าผรอนของใจที่ถ้าเราอยากจะให้ใจของเรามีสงาาส่าราศีมีความปลอดภัยจากภัยที่จะมาคุกคามคืออบายทั้งสี่เราก็ต้องพยายามรักษาศีลห้านี้ไว้ให้ได้นี่คือเรื่องของเสื้อผ้าผรอนของใจส่วนที่อยู่อาศัยของใจนี้คือค อ, อะไรที่อยู่อาศัยของใจบ้านของใจก็คือ การฝึกสมาธิการทําใจให้สงบให้อยู่ในสมาธินั่นเองเพราะสมาธินี้เวลาใจเข้าไปในสมาธิแล้วใจจะปลอดภัยจากภัยต่างๆที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นอะเวลาที่เราไม่ได้เข้าสมาธิเวลาที่เราออกมารับรู้เรื่องราวต่างๆทางตาทางหูทา ง, าทา ง, ทางจมูกทางลิ้นทางกายนี้มันก็อาจจะทําสร้างความทุกข์สร้างความเครียดให้กับเราได้เช่นไปเห็น เห็นสิ่งที่ไม่ดีได้ยินสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาสัมผัสกับเรื่องที่ไม่ดีก็จะทำให้ใจเราทุกข์ใจให้เราร้อนขึ้นมาถ้าเราอยากจะหลบจากความทุกข์ร้อนใจนี้เราถ้าเรามีสมาธิเราก็เข้าไปในสมาธิเหมือนกับเวลาที่เราอยู่อยู่บ้านภายนอกอยู่นอกบ้านเวลาเกิดอากาศร้อนขึ้นมาหรือเกิดฝนฟ้าดินฟ้าอากาศไม่ดีเราก็หลบเข้าบ้านไป เราก้าบ้านบ้านเราก็จะเป็นที่ปลอดภัยอยู่อย่างเย็นอย่างสุขอย่างสบายใจของเราก็ต้องมีบ้านเหมือนกันบ้านก็คือสมาธิเราต้องมาฝึกสมาธิกันทำใจให้สงบเพราะถ้าเราทำใจให้สงบแล้วใจของเราจะมีความนุ่มเย็นเป็นสุขเวลาเกิดความเครียดเกิดความทุกข์ใจไม่ว่ากับกับเหตุการณ์ใดก็ตาม เกิดเหตุการณ์จากการไปกระทบกับเรื่องราวที่ไม่ดีหรือเกิดการสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปทำให้เราเกิดความเศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าเราเคยฝึกสมาธิถ้าเราสามารถเข้าสมาธิได้เราก็หลบเข้าไปในสมาธิกับหลบเข้าไปในที่ปลอดภัยของใจพอใจเข้าไปในสมาธินี้ใจจะนิ่งจะเย็นจะสงบ เรื่องราวต่างๆที่สร้างความวุ่นวายให้กับใจนี้จะหายไปจากใจทั้งหมดนี่คือเรื่องของที่อยู่อาศัยของใจก็คือสมาธิบ้านของใจเราต้องรู้จักเข้าบ้านของเราต้องรู้จักวิธีเข้าบ้านของเราวิธีที่จะเข้าบ้านของเราเราก็ต้องฝึกสติต้องมันเจริญสติอยู่เรื่อยๆคอยหยุดความคิดปรุงแต่งอยู่เรื่อยๆคอยสำรวมตาหูจมูกลิ้กาย อย่าไปสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิธธ่นรสโผฏฐัพพะหรือคิดถึงเรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ควรจะคิดเพราะถ้าเราไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ที่ทําให้เกิดความสะเทือนใจขึ้นมาเราก็จะทุกข์เราก็จะวุ่นวายใจได้ดังั้นบางครัง้งบางคราวเราก็ต้องรู้จักหลบนะหลบอย่าไปดูในสิ่งที่ทําให้ใจเราไม่สบายเราอย่าไปฟังในสิ่งที่ทําให้ใจเราไม่สบาย พยายามสำรวมตาหูจมูกนิ้วมกายเพื่อไม่ไปรับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพ้าต่างๆเข้ามาสร้างความทุกข์สร้างความุ่นวานใจให้กับใจนอกจากนั้นเราก็ต้องเจริญสติก็หยุดความคิดปรุงแต่งเพราะความคิดปรุงแต่งนี้แหละเป็นตัวที่ทาให้ใจเราไม่สบายคิดแล้วก็ทำให้เราเศร้าใจเสียใจน้อยใจลำคาญใจถ้าเราหยุดคิดได้ ใจของเราก็จะไม่มีความวุ่นวายใจต่างๆวิธีที่จะหยุดความคิดได้เราก็ต้องฝึกสติมันจเจริญสติวิธีจเจริญสติก็ต้องใช้อารมณ์ที่เรียกว่ากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นใช้คําบริกรรมพุทโธเป็นอารมณ์เราพยายามหมั่นบริกรรมพุทโธพุทโธเวลาที่เราไม่ต้องมีความจําเป็นจะต้องคิดถึงเรื่องราวต่างๆอย่าปล่อยให้ใจคิดเลเื่อยเปื่ย เรามาหยุดความคิดกันอยู่ด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเวลาที่เกิดความคิดท e ี่ไม่ด um ีข um ึ้นมาที่ทำให้ใจเราทุกข์ขึ้นมาเราก็ใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปสักพักหนึ่งความรู้สึกที่ไม่ดีความรู้สึกวุ่นวายใจต่างๆมันก็จะหายไปความรู้สึกที่เกิดจากความคิดที่ไม่ดีต่างๆเราสามารถระงับได้ด้วยการใช้คาบริกรรพุทโธพุทโธด้วยการใช้ การฝึก ส, สติอันนี้เป็นการเริ่มต้นคือการฝึกสติก่อนคอยควบคุมความคิดให้ได้ถ้าเราควบคุมความคิดให้ได้แล้วถ้าเราต้องการให้ใจนิ่งสงบเป็นสมาธิเต็มร้อยเราก็นัง่งนั่งหลับตานั่งหลับตาแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าใจจะแวบไปคิดก็ไม่ต้องไปตามมันไม่ต้องไปสนใจ ให้เรากอดติดอยู่กับคําบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปแล้วใจเราก็จะนิ่งใจเราก็จะสงบเย็นสบายขึ้นมาความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆก็จะหายไปได้นี่คือทอี่อาศัยของใจที่เราควรที่จะแสวงหากันเหมือนกับที่เราแสวงหาที่อยู่อาศัยของร่างกายเวลาที่เราไม่มีบ้านอยู่เราจะทําไงเราก็ต้องรีบหาบ้านอยู่กันนะถ้ายัางซื้อบ้านไม่ได้อย่างน้อยก็ต้องเช่าบ้านอยู่ไปก่อน ถ้าเชาาบ้านไม่ได้ก็ต้องมาอาศัยคนนั้นคนนี้นอยู่ไปก่อนเพราะร่างกายเราขาดบ้านที่อยู่อาศัยไม่ได้ฉันใดใจของเราก็ขาดสมาธิไม่ได้ฉันนั้นเราต้องพยายามขวนขวายสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นมาในใจของเราด้วยการเจริญสติมันฝึกสติอยู่เรื่อยๆถ้าเรากยันพุโทโธพุโทโธไปวันวันหนึ่งตั้งแต่ตื่นขึ้นมานี้เราสามารถฝึกสติได้เลย พอลืมตามขึ้นมาล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปไม่ว่าเราจะทำอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดเช่นอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเราก็พุทโธพุทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารนี่เป็นเวลาที่เราไม่ต้องใช้ความคิดอะไรก็อย่าปล่อยให้ใจไปคิดเําลปล่อยดึงมาให้คิดอยู่แต่ทำบริกรรมพุทโธให้มันติดเป็นนิสัยไป เพราะถ้ามันเป็นนิสัยแล้วเวลาที่เราต้องการจะล้าความคิดฟุ้งซ่านต่างๆนี้เราจะทําได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าเราไม่ฝึกไว้ก่อนนี่พอเวลาเกิดความคิดฟุ้งซ่านขึ้นมานี้เราลืมพุทโธนึกพุทโธไม่ออกจะบริกรรมพุทโธก็บริกรรมไม่ออกเพราะไม่มีแรงเพราะเราไม่เคยฝึกขัดมาก่อนแต่ถ้าเราคอยฝึกขัดมาเรื่อยๆเวลาที่เราจําเป็นจะต้องใช้คาาําบริกรรมพุทโธมันก็จะมาได้อย่างง่ายดาย แล้วมันก็จะระงับความคิดปรุงแต่งที่ทำให้เราเครียดทำให้เราทุกข์ได้นี่คือที่อยู่อาศัยของใจที่เราควรที่จะขวนขวายเหมือนกับการหาที่อยู่อาศัยของร่างกายพยายามฝึกสตินั่งสมาธิกันเรื่อยๆเท่าที่เราจะมีเวลาทำได้ทำได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีจะได้บ้านที่ที่ปลอดภัยจะได้เข้าเข้าสู่บ้านที่ปลอดภัยได้เร็วขึ้น ถ้าทำน้อยกว่าจะเข้าได้บางทีก็ยากแสนยากหรือบางทีอาจจะเข้าไม่ได้เลยก็มีอย่างพยายามเจริญสติสตินี่แหละจะเป็นตัวที่จะทําให้เราเข้าสมาธิได้อย่างง่ายได้แล้วประการสุดท้ายที่พึ่งของใจคือคื อ, อยารักษาโรคยารักร่างกายมีโรคภัยใกล้จิตชันใดจิตใจก็มีโรคภัยเช่นกันโรคของใจคืออะไรก็คือความเครียดนี่ ความเครียดความทุกความวิตกความกังวลความหวาดกลัวอะไรต่างๆที่เรามักจะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆกังวลกับเรื่องนั้นกังวลกับเรื่องนี้วิตกกับคนนั้น ว, วิตกกับคนนี้กังวลกับเรื่องร่างกายของเราสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะบําบัดได้ด้วยปัญญาปัญญาคือความจริงของชีวิตที่เราต้องมาเรียนรู้กันว่าชีวิตของเรานี้อยู่คือร่างกายของเราและสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้ มันอยู empire, ่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งต่างๆที่เราเคียดเราทุกกันเพราะว่าเราไม่เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไปหลงคิดว่ามันเป็นสุขขังนิจจังสุขขังอนัตตาเราคิดว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่จะให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวร่างกายของเราก็จะให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียว เราลืมไปเราไม่ได้มองความจริงว่าชีวิตเรามีสองด้านมีทั้งด้านสุขและด้านทุกข์เกิดสุขร่างกายสุขเวลาสุขก็มันก็มีแต่เวลามันจะทุกข์ขึ้นมามันก็มีเหมือนกันแล้วเป็นสิ่งที่เราห้าไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ในโลกนี้ที่เรามีอยู่นี้มันมีเกิดแล้วมันก็ต้องมีดับไปมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไปเรียกว่าอานิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวร แล้วก็เป็นอนัตตาก็คือไม่ใช่เป็นของเราเป็นสมบัติชั่วคราวเป็นของที่เราอาจจะมีครอบครองไว้ได้สักระยะหนึ่งแล้วไม่ช้าก็เร็วมันก็จะจากเราไปหรือมันไม่ได้อยู่ภายใต้ความควบคุมบังคับของเราได้ตลอดเวลาบางสิ่งบางอย่างเราได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเราก็ห้ามมันไม่ได้เพราะมันอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังใกล้กฎของ ใต้กฎของอนัตตาถ้าเราไปอยากให้มันอยู oa, rim, ่ภายใต้การควบคุมเราอยากให้มันเป็นนิจจังเป็นอัตตาเป็นของเราที่เราควบคุมได้แล้วพอมันทําไม่ได้มันก็จะทําให้เราทุกข์ขึ้นมาทําให้เราเครียดขึ้นมานี่ฮะคือความเครียดของเราเกิดจากความอยากของเรานี่เองอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงมันเที่ยงอยากให้สิ่งที่ไม่ใช่ที่เราควบคุมบังคับได้ให้เราควบคุมบังคับได้พอเราทําไม่ได้มันก็เลยทําให้เราเครียดทําให้เราทุกข์ ให้เราต้องมองความจริงแล้วต้องยอมรับเพื่อหยุดความเครียดหยุดความอยากอย่าไปอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงให้มันเที่ยงอย่าไปอยากให้สิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ให้เราควบคุมบังคับได้เท่านั้นเองนี่คือยารักษาโรคคือปัญญาทางใจให้เห็นใจรักตลอดเวลาให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาสัมพันธ์ที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยนี้ล้วนเป็นใจรักเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับได้ตลอดเวลา ถึงเวลาหนึ่งมันจะต้องเป็นไปตามเรื่องของมันเราก็ต้องรู้จักปล่อยวางยอมรับกับความเป็นจริงถ้าเรายอมรับกับความจริงได้ความทุกข์ความเครียดทางใจของเราก็จะไม่เกิดขึ้นนี่คือเรื่องของการใช้ยารักษาโรคทางใจคือปัญญาใช้ร่างกายของเราเราต้องเราก็รู้ว่ามันจะต้องแก่เราห้ามมันไม่ได้มันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเราห้ามมันไม่ได้มันจะต้องตายเราห้ามมันไม่ได้ แต่ถ้าเราไปอยากให้มันไม่แก่อยากให้มันไม่เจ็บอยากให้มันไม่ตายนี่เราจะเครียดเราจะทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราจะไม่ทุกข์ไม่ไม่เครียดแต่อย่างใดซึ่งเราสามารถทำได้ถ้าเราคอยสอนใจเราอยู่เรื่อยให้มองความจริงว่าความจริงก็คือร่างกายมันเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงอนัตตามันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราตลอดไปเสมอไป ต้องมีเวลาที่เราควบคุมบังคับมันไม่ได้ห้ามไม่ให้มันแก่ไม่ได้ห้ามไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ห้ามไม่ให้มันตายไม่ได้เมื่อห้ามไม่ได้ก็ต้องหยุดความอยากเราเท่านั้นเองพอเราหยุดความอยากเราได้เราก็จะไม่เครียดไม่ทุกข์กับเรื่องของร่างกายหรือเรื่องกับอะไรก็ตามมันอยู่ภายใต้กฎตายรักทั้งหมดร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นสิ่งต่างๆที่เรามีครอบครองไว้มันเป็นอนิจจังอนัตตาทั้งนั้นถ้าเราไปอยากให้มัน เป็นของที่เป็นนิจจังเป็นอนัตตาเวลามันไม่เป็นมันก็จะทําให้เราทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องยอมรับกับความเป็นอนิจจังยอมรับกับความเป็นอนัตตาของมันเท่านั้นเองพอเรารับได้แล้วใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรนี่คือธรรมโอสถปัญญาคือธรรมโอสถยารักษาโรคของใจนี่คือสิ่งที่ชาวพุทธเราควรที่จะขวนขวายหากันคือปัจจัยสี่ทาง ทางใจอาหารของใจคือการทําบุญทาําทานเครื่องนึ่งหมของใจคือการไม่กัดทําบาตรักษาศี่ห้าที่อยู่อาศัยของใจก็คือการเข้าสมาธิและยารักษาโรคของใจก็คือปัญญามองให้เห็นตายรักษณ์มองทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นตายรักษแล้วเราก็จะสามารถที่จะระ ง, งับความทุกข์ภัยไข้เจ็บของนั่นของของจิตใจได้นั่งกายของเราก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องมีปัจจัย สีอาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแต่แค่มีอยู่ในลักษณะของความมักน้อยสันโดยอยู่แบบส ม, มะถะเรียบง่ายแล้วชีวิตของเราทั้งทางร่างกายและจิตใจก็ย่าอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขสุขทั้งทางกายและสุขทั้งทางใจไปตลอดนี่คือเรื่องราวที่ย่ามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยัตถาวริวะหาปูระพัลิปุเอนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตางนังอุปการปติยิจิตังปฏิตางตุมหังกิปเมวะสมิชฉะตุสัพเพปุลเอนตุสังกปาจันโทปนะราสุยัตถ์มานิโทติ 阿拉โสยทัสสะพิธิโยวิวัชฉันตุสัพพโรโขวินัสตุมาเตภวตวันตารายุสุขิทีขายุโกภวะอภิวาฒนสีลิสนิจังวุธาปจายโนจตารูธรรมวาทานติอายุวโนสุขัง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 ถ้าอยากจะถามใะถามตอนนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือถ้ามีมือถือหรือมือมือถือก็ส่งเข้ามาทาง y o u ูทูบทางเฟซบุ๊กได้อันนี้ดิท่านมีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กลาบนวัตการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ธรรมนากุติทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์มีผู้รับฟัง 523ยิบสท่านเจ้าค่ะทาง YouTube พระอาจารย์สอง้ยเก้าสิบเกท่านทางด r V c h a n ร e ว9ชาเก้าสิบสองท่านวิทยุออนไลน์สิบอ็ดท่านครับเพ้าสี่ท่านหน้ากุฏิสองรอยี่สิบท่านรวมทั้งหมดเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบหกท่านเจ้าค่ะถ้ามีคำถามก็เชร์ถามได้เลยตอนนี้ยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าใครอยู่ที่นี่อยากจะถามอะไรก็ อยากจะถามก็เข้ามาถามได้นะมีไมโกระหอให้พูดได้การถามตอบคาถามนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นเหมือนกับการฟังธรรมอย่างหนึ่งเพียงแต่ว่าเราเลือกหัวข้อของธรรมที่เราต้องการจะฟังได้เี่นถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องกรรมเราก็ถามเรื่องกรรมถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องตายรักเราก็ถามเรื่องตายรักแล้วเราก็จะได้คาตอบได้ความรู้ ที่เราจะได้นำมาไปใช้ในการกมจัดความทุกข์ความไม่สบายใจต่างๆความไม่สบายใจความทุกข์ใจของพวกเราเกิดจากความไม่เข้าใจสิ่งต่างๆที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้นเองเราไม่เข้าใจธรรมชาติของเขาเราคิดว่าเราสามารถที่จะสั่งเขาทำให้เขาเป็นอะไรตามที่เราต้องการก็ได้พอเราทำไม่ได้เราก็เลยไม่สบายใจ มมีคนอยาากจะถข้างงหลัเสอสอบถามพระอาจารย์ว่าการถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นสาเหตุแห่งทุกข์ค่ะแล้วก็ถ อ, ถอดถอนต้องถอดถอนด้วยปัญญาคือต้องเห็นว่าสิ่งที่เราไปยึดนั้นไม่ใช่เป็นของเราจะไม่สามารถอยู่กับเราไปได้ตลอดจะต้องมีวันพั ก, พกจากกันไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่ง อันนี้ปัญญาถ้าเราเห็นแล้วเรายัางถอดตอนไม่ได้ยังเราต้องมาฝึกสมาธิฝึกสมาธิทำใจให้นิ่งเฉยพอใจนิ่งเฉยแล้วเวลาเราจะต้องสูญเสียไปเราก็เฉยเฉยไปเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่เสียใจแต่ถ้าเราทำใจให้นิ่งเฉยไม่ได้เวลาเราจะเสียอะไรไปเราจะอยากจะได้อยากจะให้เขาอยู่ต่ออยากจะให้ไม่จากเราไปทั้งๆังที่เราก็รู้ว่ามันเป็นของธรรมดา ที่จะต้องมีการจากไปแต่เราทำใจไม่ได้เพราะเราไม่มีสมาธิเราถึงมาฝึกสมาธิด้วยสอนใจให้มีความเข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนวันใดวันหนึ่งก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลง ล้าลก็ต้องรู้จักทำใจให้นิ่งเฉยๆเวลาเกิดการสูญเสียขึ้นมาแล้วก็เฉยๆไป น, นั้นเองเราก็จะไม่ทุกข์กมาสาธุเจ้าค่ะมีคำถามจากคุณศักดิ์สิทธิ์แสนนามวงเจ้าค่ะกระผมขอเมตตาถามพระอาจารย์ว่า การดำรงเพศค า, ารวาสให้ปลอดภัยท่ามกลางบุคคลที่ไม่สนใจศีลธรรมได้อย่างไรครับก็ต่างค้น่างอยู่ไปท่านเองเขาไม่สนใจก็เรื่องของเขาเราก็อยู่เรื่องเราก็อยู่ส่วนของเราเท่านั้นเองเราก็อย่าไปทําตามเขาถ้าเขาเดื่มจซลาเขาชวนเราเดื่มแล้วก็ขอตัวไปเราไม่ผมไม่ดื่มผมถือศีลไรก็ว่าไปปฏิเสธไป แต่ถ้ารู้สึกว่ามันยากก็อาจจะควรมองหาช่องทางปิดตัวเราไปอยู่ที่อื่นดีกว่า mm hmm. พรเจ้าบอกคบคนไม่คบคนที่ไม่มีศีลธรรมนี่มันลําบากให้ไปหาคนที่มีศีลธรรมครบค้าสมาคมกันดีกว่า mm hmm. ไม่เป็นมงคลจะอยู่กับคนที่ไม่มีศีลมีธรรมคนที่ชอบเสพอบายอมุขชอบเล่นการพ น, นันชอบเดิมพันลาชอบโกหกชอบหลอกลวงนี้ มันอยู่กับเขาแล้วเราจะไม่สบายใจก็ให้เราเลือกคนอยู่ถ้าเจอคนอย่างนี้เราก็ต้องหาทางหาทางแยกตัวเราออกไปถ้ายัางแยกไม่ได้ก็ต้องใช้ขันติความอดทนอดกลั้นไว้ก่อนเฉยๆไปเขาช่วยเราไปในทางที่ไม่ดีเราก็ปฏิเสธไปไม่ต้องไปเสียดายเขาไม่ต้องเสียดายว่าเขาจะไม่คบค้าสมาคมกับเราไม่คบก็ไม่คบคนแบบนี้คบไปก็เสียตัวเปล่า คำถามจากคุณปัญชยาเจ้าค่ะก ร, ร, ระดานบัณฑิการพระอาจารย์วันนี้ลูกถือศีลแปดเพื่อคุณแม่คุณพ่อท่านสามารถรับบุญส่วนนี้ได้ไหมเจ้าค่ะบางยงการถือศีลแปดนี้ถือเพื่อเรามากกว่าถ้าอยากจะส่งบุญไปนี่เราควรจะส่งบุญด้วยการทําบุญใส่บาตรถวายสังฆทานอะไรไปจะได้แน่นอนกว่าเพราะการรักษาศีลของเรานี่มันยังไม่ได้ผล mm. ของ ม, มันเนเพียงแต่เป็นการเริ่มต้นทั้งเอง เพราะฉะนั้นบุญที่เกิดจากการรักษาศีลไหว้พระสวนมนุัย์สมาธินี้จะไม่ได้เป็นบุญที่เราควรจะอุทิศเพราะเราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นหรือยังแต่บุญที่เกิดจากการทำบุญทำทางนี่มันเกิดขึ้นแล้วทันทีหลังจากที่เราได้ทำนะคาถามต่อไปจากคุณสวัรค์ทองราชคมกราบเรียนถามครับการฝึกสติปฐานสี่มีอะไรบ้างและควรฝึกยังไงครับน้อมกลับนมสการครับ เบื้องต้นางให้ฝึกสติก่อนไงให้เรามีสติคอยควบคุมความคิดของเราโดยการใช้การเฝ้าดูร่างกายถูกใจไว้ติดอยู่กับร่างกายร่างกายทำอะไรเราก็ทำไปกับร่างกายอย่าไปคิดเรื่องนี้ในขณะที่ร่างกายกำลังมีการกระทำอยู่กำลังเดินก็เดินไปกับร่างกายกำลังนั่งกำลังยืนกำลังนอนก็อยู่กับร่างกายไป อยาไปคิดเรื่องคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เรียกว่าเป็นการฝึกสติพอเรามีสติแล้วเราก็มานั่งสมาธินั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกดูที่ปลายจมูกดูไปจนกว่าใจจะสงบเป็นสมาธิขึ้นมาหลังจากออกจากสมาธิขึ้นมาเราก็มาศึกษาธรรมชาติของร่างกายธรรมชาติของเวทนาธรรมชาติของของจิตดูก็เราก็จะเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติดเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับได้เราก็จะปล่อยวางปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนาปล่อยวางจิตเพราะปล่อยวางได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ต่อไปคําถามต่อไปจากคุณโยเจ้าค่ะ การแผ่เมตตาแบบไม่มีประมาณทำอย่างไรเราต้องระลึกถึงใครบ้างเวลาแผ่เมตตาขอบคุณค่ะก็แผ่เวลาที่เจอกันไงเวลาที่เราไม่เจอใครเราแผ่ไม่ได้เราอยู่คนเดียวแล้วนั่งสวดมนต์แวแผ่ไปคิดไปในใจนี้ไม่ได้เป็นการแผ่การแผ่ต้องเวลาเจอกันพบปะใครก็ต้องยิ้มให้เขาทักทายให้เขาทักทายสบายดีหรือ ถ้ามีของมาฝากก็เอาของฝากให้เขาไปเดี๋ยวถ้าเขาทาอะไรแล้วทําให้เราไม่พอใจก็ให้อภัยเขาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคือไม่มีประมาณก็หมายถึงทุกคนสัตเพศสัตว์ตาสัตว์ตทั้งหลายทั้งปวงคนทุกคนสัตว์ทุกชนิดที่เราพบปะกันเราต้องให้ความเมตตากันอย่าไปโกรธแค้นโกรธเคืองกันอย่าไปทําร้ายร่างกายกันให้ความสุขต่อกันนี่คือการแผ่เมตตา จะ ต, ต้องผ่าด้วยการกระทำไม่ได้ผ่าด้วยการชิดเฉยๆคำถามจากคุณชูเกียรตเราเริ่มเห็นอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบางครั้งก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างผมมาถูกทางหรือไม่ครับก็มามัาถูกแนละ้วแต่ยังียังต้องไปอีกไกลคือต้องเห็นตลอดเวลาแล้วต้องสามารถระงับระงับอารมณ์ที่ไม่ดีให้ได้ เ่็นเวลาเกิดความโกรธต้อ ง, งระงับมันให้ได้เกิดความโลภต้อ ง, งระงับมันให้ได้ถึงจะถึงจะไปถูกทางอย่างเต็มที่ตอนนี้เพียงแต่เป็นจุดเริ่มต้นทเทนั้นคําำถามจากคุณขวัญเจ้าค่ะกราบท่านคุณพระอาจารย์ค่ะขอกราบถามค่ะจะทำใจให้สงบอย่างไรเจ้าคะก็ต้องมีสติคอยควบคุมความคิดอยู่เรื่อย ใช้คำบริกรรมพุโทโธไปฝึกบริกรรมพุโทโธไปตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าเลยตื่นขึ้นมาก็อย่าปล่อยให้ใจคิดให้คิดอยู่คำพุโทโธพุธโทโธอมบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกับพุโทโธแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็พุโทโธไปครับจะหยุดพุโทโธก็ต่อเมื่อเราต้องคิดเรื่องนี้เรื่องนี้แล้วก็หยุดพุโทโธไว้ชั่วคราวพอคิดเสร็จแล้วเราก็กลับมาพุโทโธพยายามให้คิดให้น้อยที่สุดนรถ้าไม่คิดได้ยิ่งดีอะ่ะ พอเวลาใจไม่คิดแล้วใจจะเย็นใจจะสบายเวลาคิดขึ้นมาแล้วก็จะเครียดเกิดความวิตกกังวลไรต่างๆตามมาคำถามจากคุณอเล็กซ์ค่ะกราบนมัสการเจ้าคาหลวงตาหนูมีคำถามค่ะว่าเราควรจัดการกับความรู้สึกตัวเองยังไงถ้าเจอคนที่ดีกว่าเราในทุกๆด้านเราสู้เขาไม่ได้เลยค่ะ ก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลกเรื่อนี้มีคนที่มีความสามารถแตกต่างกันไปบางคนก็เก่งกว่าเราบางคนก็เท่าเราบางคนก็ด้อยกว่าเราก็ต้องยอมรับความจริงไปเหมือนร่างกายเรามีนิ้วนิ้วมันก็ขนาดไม่เท่ากันใช่ไหมนิ้วโป้งกับนิ้วนิ้วนิ้วก้อยมันก็คนลขนาดกันจะให้นิ้วของเราเหมือนกันมันก็เป็นไปไม่ได้เพรนั้นเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงของคนต่างๆ บางคนเขาก็เก่งกับเราบางคนเขาก็ด้อยกับเราแต่เราก็สามารถที่จะใช้คนที่เก่งกับเรามาเป็นประโยชน์ให้กับเราได้ถ้าเรารู้ว่าเขาเก่งกับเราเราก็ต้องพยายามศึกษาเรียนรู้จากเขาไปเทนั้นเองต่อไปเราก็อาจจะเก่งกับเก่งเท่าเขาหรือเก่งกว่าเขาก็ได้ คำถามจากคุณพรินเซสกราบนามาสการหลวงพ่อเจ้าคะ่ะกราบเรียนสอบถามว่าเมื่อเราทําบุญและแผ่เมตตาเราสามารถแผ่เมตตาระลึกให้พ่อแม่เราที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ท่านได้บุญร่วมกันได้ไหมเจ้าคะ่ะคือคําแผ่เมตตาและการบทที่บุญนี้เป็นคนละเรื่องกันความแผ่เมตตาก็คือการมีไมตรีจิตกับบุคคลต่างๆที่เราพบปะด้วย ส่วนการอุทิศบุญนี้เป็นการส่งบุญให้กับคนตายที่ล่วงลับไปแล้วเท่านั้นเองคนที่อยู่นี่เราส่งบุญให้เขาไม่ได้แล้วส่งเงินให้ทดแทนได้ถ้าอยากจะให้ก็มีความสุขก็ส่งเงินไปให้เขาแต่คนตายเราส่งเงินไปเขารับไม่ได้เขารับได้แต่บุญเราก็เลยต้องทำบุญแล้วก็อุทิศบุญไปให้กับเขาคาถามต่อไปเจ้าค่ะนมัชการพระอาจารย์ขอถามดังนี้ค่ะ มีวิธีจะทำใจได้อย่างไรคะคุณพ่อเพิ่งจากไปอย่างกระทันหันไม่คาดคิดยังไม่ทันร่ำลาเข้าใจดีว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแต่ยังทำใจไม่ได้ที่มันเร็วเกินไปคะ่ะจะทำอย่างไรให้ใครคลุกได้เจ้าคะ่ะเอาให้เต็มที่แล้วพี่พ <laughs> <laughs> อแล้อยังพอ <laughs> ก็ไม่ต้องทำใจเฉยๆไปมันก็เกิดแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเราห้ามเขาไม่ได้คนตายก็ตายไปแล้วเรามาเศร้าโศกเสียใจมันก็มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าไม่ยอมอยู่เศร้าโศกเสียใจก็ต้องสวดมนต์ไหว้พระไปนั่งสมาธิไปถ้าใจสงบใจก็จะหายเศร้าโศกเสียใจได้คำถามจากคุณทีคัทนาเจ้าค่ะ จิตของคนทุกคนเหมือนกันใช่ไหมคะคือมีแต่โลภโกรธหลงหมุนเวียนเปลี่ยนไปตลอดเวลาเนื่องจากอาวิชชาเป็นตัวขับเคลื่อนเราเพียงแต่ทำจิตให้รู้ทันอวิชชาก็พอจะมีความปล่อยวางเป็นเหตุให้พ้นจากทุกข์ใช่ไหมเจ้าคะถ้าเป็นจิตปุถุชนนี่เหมือนกันมีโลภโกรธหลงเหมือนกันแต่ถ้าเป็นจิตของพระ พ, พ, พุทธเจ้าของพระอรหันต์นี่ไม่เหมือน จิตของพระพุทธเจ้าจิตของพาอาาระอหันนี้ไม่มีความโลภ ก, กดหลง mm. นะจิตปุถุชนนี่ยังมีโลภ ก, กดหลงอยู่ก็ต้องศึกษาธรรมะเอาธรรมะมาดับอวิชชาความหลงให้หมดไปจากใจถ้าไม่มีอวิชชาแล้วความโลภความโกรธความหลงมันก็จะหายไปยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะโอเคท่านั้นก็เอาแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าเวลาก็พอสมควร ก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรม ย, ยิ่งขึ้นไปเถิด